21ถ้าใจยอมรับความจริงจะเลิกดิ้นรนและไม่ทุกข์วงเล็บเปิดยี่ธันวาคม2549จุดจุดนาที8วงเล็บปิดปัญหาใหญ่ของโยมคือเพ่งเพ่งเพราะอยากปฏิบัติที่อยากปฏิบัติเพราะอยากดีอยากดีเพราะว่าเรารักว่าจิตนี้คือตัวเราเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุข อยากให้มันสงบถ้าวันใดเราสามารถรู้ลงไปอย่างลึกซึ้งนะเห็นว่ากระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็จะไม่รักดีรักสุขรักสงบอีกแล้วมันจะไม่ปรุงแต่งรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาอีกจิตใจก็จะสบายจิตใจของเราเองเนี่ยโดยตัวของมันเองก็มีแนวโน้มว่าจะดีเหมือนกันแต่เราเองปิดกั้นมันเอาไว้จากมรรคผลนิพพานเราไปต่อต้านมัน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 การที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยเพื่อวันหนึ่งจิตใจมันจะยอมรับธรรมะยอมรับความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพราะเขายอมรับความจริงเมื่อใดเขาจะเลิกดิ้นรนพอมันไม่ดิ้นรนมันไม่ทุกข์นะดิ้นทีไรก็ทุกทุกทีนะพอทุกข์ก็ยิ่งดิน้นพอยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์อีกก็เลยดิ้นไปเรื่อยดิ้นไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเราคอยรู้ไปเรื่อย วันหนึ่งเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราหรอกเป็นของโลกยืมเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวหมดความรักในกายในใจนะก็หมดความยึดถือหมดความทุกข์กายกับใจก็ดูแลมันไปเหมือนเรายืมของเข้ามาใช้ก็มีหน้าที่ดูแลไม่ใช่ยืมของเข้ามาใช้แล้วก็ใช้ให้มันพังพังไปเรายืมกายยืมใจมาจากโลกเอามาใช้เอามาทำประโยชน์ของเราเองทาประโยชน์กับคนอื่นอะไรอย่างนี้มีชีวิตที่มีคุณค่า ชีวิตที่ไหลาตามกิเลสไปแต่ละวันแต่ละวันไม่เห็นมีคุณค่าอะไรหมามันก็ทำเป็นนะหมาแมวมันก็ทำเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วได้เจอศาสนาพุทธได้มาพัฒนาตนเองเรียนรู้ตนเองจนเข้าใจตนเองจนปล่อยวางความยึดถือตนเองมันจะมีความสุขบอกไม่ถูกความสุขเยอะมันเบา